เดนสวนรรค์สงเราจะมันทราบซึงตรึงใจควงคู่เราคลอเดินเพิดเดินพนอไปตื่นตันวันไหวเกินเอววัช มันหัวใจจากตาก็รู้แฟงแววรักอยู่ท่ ว, ทวมทนรอดีอยากลายมาลายไปอยากไกลแม่นาทีอย่าให้พี เฝ้าแต่ตรอมใจพี่ยังจำได้ยังจำได้ ไ, ดไม่ลืมเลยมือน้องพี่เคยได้จับกุ่มไว้ํำเคยได้จบเคยได้จบประทับ ลงไปยังอบอุ่นใจอยู่ทุกคืนวันเปิดหัวใจพูดกันสักครั้งรักเธอเจียนครั้งครวนเธอรำพันเฝ้าปองรักนานมา เมตตาเห็นใจกันอย่าให้ที่ฝันรักอยู่เดียวดาย หัวใจพูดกันสักครั้งรักเธอเตียนครั้งครวนเธอรำพันเฝ้าปองรักนานมาในตาเห็นใจกันอย่าให้ ท่านผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราจะไปติดตามชีวิตของนักร้องลูกทุ่งคราวแพ้นะ สายาเรียกตัวเองว่าพี่เป้านั่นก็คือสายันสัญญาค่ะคุณสายันสัญญาเนี่ยนะคะมีผลงานเพลง 1,200 เพลงแล้วก็มีน้ำเสียงที่ติดหูผู้ฟังเพราะว่าเคยผ่าตัดลำคอมาก่อนก็เลยกลายเป็นเสียงแแบมหาสเสน่ห์ไป สายันเนี่ยนะคะมีชื่อจริงว่าคุณสายยันดีเสมอตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นพรสายยันมีโชคดีเสมอเกิดที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกของครอบครัวคนทำนาเมื่อเล็กๆเนี่ยคุณพ่อก็เสียชีวิตทำให้สายยันต้องอยู่กับแม่ เขาเป็นคนที่ชอบการร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เล็กๆเข้าตะเวนประกวดร้องเพลงมานาคมายนาบไม่ถ้วนได้รางวัลชนะเลิศหลายครั้งมากค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อว่านาสว่างพาไปสมัครเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีของสามีของผ่องศรีวรนุชแต่ก็ไม่ได้ออกหน้าเวทีตอนหลัง จึงมาอยู่กับวงดนตรีของผ่องศรีวรนุษจริงๆซะเลยก็ไปอยู่แค่เป็นหางเครื่องแล้วก็ร้องเพลงนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตัวเขาอะมีความตั้งใจจึงได้เดินสายประกวดร้องเพลงแล้วก็แบกกลองเป็นหางเครื่องในวงดนตรีและโชคชะตาค่ะคนน่ะดวงดีเนาะ ก็มาเจอกับผู้อุปการะคือคุณพ่อเล็กและก็คุณแม่น้อยสีอิงขนันซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันพรรุ่งโรดและก็เป็นเจ้าของวงดนตรีรวมพรก็ออกทุนให้สายาณเนี่ยอัดแผ่นเสียงเริ่มจากเพลงว่ารักเธอเท่าฟ้าแล้วก็พลัดคู่แต่ก็ไม่ได้รับการเผยแพร่ค่ะ สายันก็เลยกลายเป็นเด็กล้างรถอยู่ที่ปั๊มกันต่อไปและโชคชะตาก็เข้าข้างมาเจอกับครูชนละทีทานทองก็ชอบมากเพราะว่าสายยันเนี่ยเป็นเงาเสียงของสอนคีรีสีประจวบก็เลยชอบแต่งเพลงลูกสาวผู้การแล้วก็แมมปาระซึ่งสองเพลงนี้ดังเป็นพลุแตกเลยค่ะท่านผู้ฟัง แล้วก็เขาเนี่ยนะคะได้ไปแสดงภาพยนตร์ด้วยเอกลักษ์ของสายันสัญญาเนี่ยจะมีประโยคที่คุ้นหูเวลาเขาออกเวทีก็จะพูดว่ารักสายันน้อ ย, อยแต่รักนานๆ น, นะครับคือมันเป็นรูปแบบของการพูดของพระเอกหริเกคะค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็มีกราแพะเล็กๆ เ, เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวสายันเนี่ยนะคะ เข้าพักรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งตับค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ออกแสดงคอนเสิร์ตอำลามิตรรักแฟนเพลงจนกระทั่งวันที่11กันยายนปี2556ค่ะสายยันสัญญาก็เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลธนบุรี สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับมิตรรักแฟนเพลงที่ติดตามนักร้องลูกทุ่งคนนี้มานานสายันเนี่ยนะคะมีการบันทึกเสียงเอาไว้ทั้งหมด 1,200 เพลงแต่เพลงที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเนี่ยอย่างเช่นไก่จา๋าล้นกล้าวเผาไทย รักเธอเท่าฟ้าโอ้โหแต่ละเพลงนี่เพราะจริงๆนะหรือว่าตัวไกลใจเหงาลารักจากสวนแตงอย่างนี้หรือว่าบ้านนี้ฉันรักรักแลกเดินท่าเอาละค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงตอนนี้เลยดีเจแอมจะเปิดเพลงนะคะไกลจ๋า ใ้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันและก่อนที่จะลาช่วงนี้กันไปอย่าลืมนะคะทุกๆวัน DJM จะมาเล่าประวัติของนักร้องลูกทุ่งควนใจท่านผู้ฟังจะเป็นใครนั้นติดตามฟังกันให้ได้นะคะ ใจจได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่กลายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาใจจะหลบห้าไปไหน ใครจะขอเพียงหางตาเหลือมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรืนลืมสัญญาที่เธอให้ไหวชาตินี้จะไม่รักใครฉนายถึงผิดว่าจา เขาเขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญุ่กใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามก่ายิ้มเต็มหนะ้าัวใจฉันแทบไม่นอนนองน้ำตาอยู่นาะ ใจจ้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เทียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบปลอยชกบนประดานโปดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดกจจ้า ร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเตียหมอนวายน้ำตาเ้าเขาว่า ไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเมือนตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบ้าโนโนน้องน้ำตาอยู่นะ้าไกจใจไม่ว่าฉัน ทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยชอบกบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันแต่เธอไกลจา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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของท่านผู้อเมริการโรงเรียนระที่สุปรีดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะครับสวัสดีครับค่ะให้ผอแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่เลยค่ะขอผมชื่อท่านผอประทีปสุ ป, ปีดีฮะอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหมู่ทีบบ่เอดตบลตะเกเลื่อนอำเภอเมืองนนท์งหวันครศรีธรรมรค่ะผ อ, อค่ะเอ่อผ อ, อนี่ เป็นปัจจุบันนี้เป็นข้าราชการบํานาญใช่ไหมคะครับผมครับผมค่ะเคยสอบเป็นพอรโรงเรียนระดับชั้นปถมหรือมัธยมคะอ๋อผมอยู่ปถมครับปถมครับอ๋อค่ะวันนี้ทางมูลไบรท์ได้รับเกียรติจากพออนะคะมามพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์นะคะพ อ, อร์ลคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับมูลไบรท์เนี่ยพอรมีอาการเป็นอะไรมาบ้างคะ คือก็ปวดที่เอ่อต uh. ั้งแต่ก้นกบเนี่ยครับแล้วก็มันชามันเรื่อยไปลงไปถึงขาแล้วถึงปลายเท้าครับค่ะมันชาๆหน่อยก็แล้วเดินต้อปวดหลังด้วยครัค่ะปวดหลังเดินแล้วอย่างนี้เดินเดินลําบากนะคะเนี่ยอ่เดินลําบากครับครับใช่ครับอืมค่ะเป็นอย่างนี้มาสามปีแล้วพอรักษายังไงมาบ้างคะก่อนมาหรื้จ enfin ังผมก็ไปรักษาหมอโรงพยาบาลนะครับ รับรับรักษามาสามปีกว่าแล้วเนี่ยครับเห็นบอกว่ายามาเรื่อยทั้งทานยาฉีดยาด้วยใช่ไหมคะครับผมครับผมเห็นบอกว่าทานทานยาทีนิงนี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะยาโอ้เยอะเยอะครับสี่ห้าอย่างนะครับทานเยอะเลยค่ะแล้วฉีดยาด้วยใช่ไหมคะฉีดยาะไปทีงก็ฉีดทีน้ยครับสองเดือนไปทีงครับ จิตยาทุกสองเดือนครับจิตยาทานยามาสามปีหายไหยคะก็ยังไม่ค่อยหายไม่หายแล้วครับดูแล้ไม่หา ย, ยกันอยากจะหาสมุนไพรทานนะครับค่ะแล้วพอออมมารู้จักกับมูลไบรได้ยังไงคะก็เปิดวิทยุฟังนะครับของอะไรเก้าที่เจ็ดจุดห้าอะไรเนี่ยฮะค่ะอืมของที่นั่นแล้วผมก็ฟังดูเห็นแล้วก็เห็นจมปาพูดที่เขาเชยใจก็ว่าเขาหายเขาตรงกับโรคนะ เนี่มันก็เหมือนเหมือนเรานี่ค่ะมันก็เอ้ ก, ก็น่าจะลองซื้อมาทานมผมทานไม่ต่อนเนื่องผมเคยทานมาที น, นะไม่เลยต่อนเนื่องจ้ะอืมค่ะพอคะแล้วหลังจากที่ใช้มูลไบรท์ไปแล้วอะพออาการดีขึ้นยังไงบ้างคะมันก็สบัดดีดีขึ้นนะฮะมันก็ดีขึ้นคือเดินคล่องขึ้นนะครับค่ะเอ่อ เลยพอทานไปก็พอเดินคล่องๆอ๋อแต่ช่วงที่ทานจบใหม่ๆเนี่ยบอกว่าเดินคล่องเดินดีขึ้นเลยใช่ไหมคะพอดีดีขึ้นดีขึ้นครับอ๋อแล้วก็ขึ้นไปทอดผ้าบนเมนได้เลยอ๋อได้ฮะถ้าถ้าทานยาดังนั้นนะค่ะแล้วพออมองว่าคนที่เป็นเรื่องเส้นนะคะไม่ต้องไปรักษาหรอกอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็หายเองพอออคิดว่ายังไงคะ ครับผมก็คิดมาเล้นผมก็นวดเนื่ยผมก็ไม่เคยนะเนี่ยนวดเน่ยผมกลัวไปจับเส้นอะไรไปใหญ่อีกะไม่กล้าครับเพื่อนๆเขาไปนวดกันเขาชวนกันผมไม่กล้าไปอ่ะครับค่ะผ อ, อก็เลยมองว่าเรื่องเส้นเนี่ยต้องดูแลให้ถูกวิธีนะอย่าซีสุว่าทำเดี๋ยวจะมีปัญหาถูกครับถูกครับค่ะแล้วผ อ, อมองว่าของมูลไบร์เนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างคะ ผมว่ า, าราค า, าไม่แพงนะครับถ้าพูดว่าแพงก็ไม่แพงนะครับค่ะลืมตกวันไม่ขีดตังเองเนะี่ยกับสุขภาพแล้วนะครับผมว่าไม่แพงค่ะแล้วชโดยเฉพาะอายาพ่นอะไรที่ฉีดก้าเส้นนก็นดีเลยค่ะครับค่ะแล้วพ อ, อมีอะไรจะฝากกับคนที่มีอาการเส้นแบบพ อ, อบ้างไหมคะ ก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆผมถ้านั่นเดี๋ยวผมจะต้องบอกกันเพื่อเอาบุ น, นเนอเนา ะ, คะใครก็มาทานมุนไร์เนี่ยเป็นกะหมุนไไนเป็นกระหกลอยไนดีกว่านั่นถ้าไม่ได้เป็นอะไรแต่กินป้องกันก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อได้ครับได้ครับอืมค่ะทางรายการมูนไร์ก็ต้องขอขอบคุณท่านผ อ, อประทีปสุปรีดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะให้เกียรติมาพูดคุย ทางรายการมูลไบรท์อของเราค่ะขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ามันมูลไบรท์ย้ำชาอมือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูนไบรท์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ํามันมูนไบรท์สอบถามได้ที่เบอร์ 0-81 สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดำศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณกาหลงกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้คุณกาหลงแนะนำชื่อนามสกุลและก็ที่อยู่ค่ะ ครัผมชื่อการหลงเหงทรัพย์ครับอยู่แต่สิบห้าหมู่สิบสองตำบลตะเคียนเลื่อนอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับค่ะตําตบลตะเคียนเลื่อนอําเภอเมืองนองครสวรรค์นะคะครับค่ะคุณการหลงคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับมูลไรทคุณการหลงเป็นอะไรมาคะอ๋อปดวดหัวเข่าอย่างเดียวครับอ๋อเป็นมากี่ปีคะ อ๋อผมเพ่งเป็นครับผมเป็นมายัางไม่พอปีเป็นมาได้ประมาณประมาณสักห้าหกเดือนได้อือค่ะแล้วเวลาเป็นขึ้นมานี่ปวดหนักมากไหมอ๋อมันปวดหนักมากเลยครับปวดมันแบบมันปวดแล้วมันเดินไม่ไหวเลยอะ่ะอืมค่ะครับแล้วคุณการหลงได้หาวิธีการรักษาตัวเองมาก่อนหน้านี้ไหมคะครับมีครับผมไปหาหมอมาหมอเขาก็ตรวจ หมอเขาบอกว่าผมเป็นกระดูกห่างกระดูกข้อกับเข่ามันห่างครับอกเนี่ค่ะแล้วผมก็เขาก็ฉีดยามาให้ฉีดยามามันก็บรรเทาไปได้ช่วระยะหนึ่งไม่มากอะ่ะครับไปตั้ได้ตั้เดือนครึ่งเดือนก็เป็นแล้วเนี่ยก็ปวดปวดเหมือนเดิมอย่างอืี้ยคือเรียกว่าไม่หายขาดมันไม่หายหรอคค่ะ อ๋อแล้วพ อ, พอคุณกาหลงมารู้จักกรมูลไบต์กเ็เลยลองมาใช้หลังาจากที่ใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ที่แรกใบใหม่มนก็มันก็ไม่รู้สึกอะไรมันกินมันพอรับทานที่แรกไปผมที่ติดตามที่ตามที่เขาเขียนมาจากนี้นั้นนะ่ะนะค่ะแล้วผมก็รับทานไปหนึ่งก็มันก็ มันรู้สึกปวดอะมันจะปวดมันเหมือนมันมันมันตอดไปทั่วตามข้อเราเนี่ยทุกข้ออะท่อเข่าข้อข้อเท้าผมอะค่ะมันเหมือนใครมันพี่จ้าพี่จ้าพี่จ้าอย่างงี้แล้วมันก็ครับแล้วมันก็ผมก็ทานไปเรื่อยๆอะก็รู้สึกตัวเองว่ามันมันรู้สึกมันดีขึ้นอะไรอย่างงี้อือคือเบามากขึ้นอ่าครับเมื่อก่อนมวิ่งไม่ได้อ่ะตอนนี้ผมวิ่งได้ออค่ะอืมครับ แล้วคุณการหลงมองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์ที่ทําให้คุณการหลงวิ่งได้เนี่ยมันราคาแพงไปไหมเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับอะค่ะไม่ก็คือเกอาการมันอาการมันทุเลาได้อาการมันหายได้ผมก็ว่ามันไม่แพงอะครับอืมนะครับมันก็คุ้มอ่ะถ้าถ้าถ้าอาการมันหายอ่ะถ้ามันหายตามเป็นปกติสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ตามปกติมันก็มันก็ถือว่าคุ้มอะครับ แล้วคุณการหลงมีอะไรจะฝากบอกกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมคะบางคนฟังฟังอยู่ไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะกลัวว่าจะเป็นหน้าม้าหรือกลัวจะโดนหลอกอะค่ะเพรอย่างนี้มันไม่ใช่เลยครับมันคือผมก็ทําวผมก็ฟังมันจากทางวิทยุเหมือนกันก็ร้องผิดร้องถูกอะครับมันก็ถือว่ามันก็ต้องมันอย่างงี้มันยังมามันก็ต้องพอจะพูดก็อย่างตามตรงมันก็คือก็ต้องเสี่ยงนะครับเพรามันเพราะมันไม่เสี่ยงอะไรเราก็ไม่มีทางที่จะรักษาทางไหนนันก็มันรักษามาแล้วมันก็ไม่หาย อก็ลองลองเสียงๆซุ่มๆดูมันก็แต่รู้สึกผมว่าผมทานไปผมว่ามันดีอ่ะผมก็บอกกับแฟนผมว่าเออลุกสึกมันดีขึ้นนะเนี่ยณตอนเนี้กินกินมาก็ประมาณก็คือเกือบสองเดือนแล้วเนี่ยค่ะอืมค่ะพอมันมันมันก็มันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นอ่ะผมแต่ผมมันไม่ได้หยุดงานนะครับผมทํางานตลอดอืมค่ะก็ผมไม่คนหยุดเลยได้อ่ะผมต้องทํางานตลอดเราะนี้มันก็มันก็จะว่า แต่ก็รู้สึกว่ามันทํางานทำอะไรมันก็มานอนกันกลางคืนมาอะไรมั้งมันก็ปวดบ้างเล็กเงน้อยมันไม่ปวดมากเหมือนแต่ก่อนอืมค่ะครับแต่ถ้าถามว่าเรื่อตอนเนี้หายไหมผมก็ยังไม่หายแต่มันแต่ผมว่ามันทุเลาเยอะเลยอืมค่ะจากที่ว่าผมวิ่งไม่ได้วิ่งแล้วมันเสียวครับเพราวิ่งแล้วมันเสียวในหัวเข่าผมเนี่ยในหน้าตอนนี้ผมวิ่งได้เมี่อเช้าเองผมก็ยังมาาอวดกับแฟนผมว่าผมไปทศพาคนแก่ไปทศมา แล้ว<ะ>รถมันจอดอยู่ไกลอะครับ <ฮะ S 1> คุณก็จะไปเอารถมารับคนแก่ผมก็ต้องวิ่งอรับเพาะวนี้ก็กลัวว่าจะไม่ทันคนแก่ผมก็วิ่งมาที่รถมันวิ่งได้อย่างสบายของนผ ม, ผมออวิ่งก็ไม่เสียวมันก็ถือว่ามันก็ถือว่าดีตอนแรกผมวิ่งไม่ได้แต่วิ่งมาล้มเลยครับวิ่งไม่ได้ค<ะ>่ะเพราะมันแต่ใช่ว่าหัวเข่ามันไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ค่ะ ทางรายการมูลไรทต้องขอแสดงความยินดีกับคุณกาหลงเฮงรัพย์ด้วยนะคะอ่าที่อยู่ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่จากเดิมเดินแล้วเเสียวในหัวเข่านะคะทรมานมากเดี๋ยวนี้วิ่งได้แล้วโดยที่ไม่เสียวในหัวเข่าเลยดีดีใจด้วยนะคะครับผมครับทางรายการมูลไรทต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะครับครับหากท่านใดอยากป้องกัน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 ชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็อยู่กับ DJ เนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการนวดค่ะพอดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดีเได้คุยกับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์หมอนวดท่านหนึ่งนะคะท่านก็ได้ใบวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องของการนวดแผนไทยนะคะจากการที่คุยกับ อาการอาจารย์วิทยากรท่านนี้ท่านก็เล่าถึงอาการคนไข้อยู่คนหนึ่งให้ดีเจแอมฟังนะคะบอกว่าเป็นคุณลุงค่ะอายุประมาณ60กว่าปีแล้วนะคะมีอาการปวดกระเบนเหน็บสองข้างเป็นมา1สัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นเป็นหายหายมา3ปีนะคะแล้วก็อาชีพของคุณลุงเนี่ยก็คือรับจ้างนะคะต้มหน่อไม้อัดใส่ปี๊บนะคะ ทุกวันสามเดือนทำให้คุณลุงเนี่ยต้องกง้มเงยยกของอยู่ตลอดเวลานะคะมีอาการปวดตั้งแต่กระเบนเหน็บทั้งสองข้างร้าวลงขานะคะบางทีเนี่ยจะปวดแผลแล้วก็ชาที่เท้านะคะมักจะปวดเวลาสีทุ่มจนถึงรุ่งเชา้าคือปวดตอนนอนนั่นเองนะคะเวลาปวดเนี่ยจะก้มได้น้อยลงนะคะ ก็เคยพยายามนะคะห า, ายาคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรมาทานนะคะแต่ว่ามันก็เป็น เ, นเนหายหายทำยังไงก็ไม่หายสักทีนะคะก็เลยมาปรึกษากับอาจารย์หมอนวดวิทยากรท่านนี้นะคะอาจารย์ท่านก็แนะนำว่าให้นวดนะคะกดจุดนะคะในบริเวณของเรื่องของแนวหลังนะคะช่วงล่างแนวเกลียวข้างต้นขา นะแล้วก็กดจุดบริเวณเท้าสะเอลตาตุ่มนะคะก็ลองรักษากันดูต่อมาเนี่ยคุณลุงท่านนี้อากาศดีขึ้นนะคะแล้วกออ็อาจารย์ก็เลยคุยบอกว่ า, วาเอ๊ะ อ, อะไรที่ทำให้คุณลุงท่านนี้ถึงเป็นปวดกระเบนหนีบอย่างนี้นะคะสาเหตุเกิดจากยกของหนักผิดท่าด้วยการที่ก้มแล้วยกของเลย นิกภาพนะคะถ้ายกก้มแล้วยกของเลยเนี่ยหลังมันก็รับน้ำหนักมากก็ทำให้ตึงร้างบริเวณช่วงหลังก็อย่างที่แม่ของ d ี m พูดอะคะ่ะถ้าเป็นเส้นปัญหาที่หลังไม่ชาลงขาก็แล่นขึ้นหัวเหมือนกันเลยค่ะมันก็เลยร้าวลงขาชาเท้านะคะวิธีแก้แก้อย่างไรนะคะก็ต้องหาหมอนวดนวดเพื่อกดจุดผ่อนคลายแต่ถ้าหาหมอนวดไม่ได้ วิธีแก้อีกอย่างหนึ่งก็คือหาสมุนไพรนะคะที่เป็นชุดคลายเส้นหรือยากระใสเส้นเอามารับประทานเพื่อไล่เลือดลมที่มันอัดอั้นอยู่ตามจุดต่างๆของร่างกายให้มันทะลุทะลวงไปรวมถึงการใช้น้ำมันนวดการใช้ลูกประครบก็จะช่วยทำให้เส้นที่มันติดตึงมันลมมันขัดมันขยับขยืขย่นทางานแล้วก็เลือดลมก็เดินสะดวกได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า d ี m เข้าใจนะคะว่าวิถีชีวิตของผู้สูงวัยหลายๆท่านสมัยหนุ่มสาวเนี่ยทำงานหนากักทํางานเยอะนะคะแต่เราจะไปหาสมุนไพรนะคะที่มันเป็นสมุนไพรคลายเส้นได้จากไหนละ่ะนะคะอย่างที่เคยอ่านตำรับเก่าๆนะคะก็จะบอกว่ายากระสายเส้นที่ดีเนาะก็จะต้องมีเถาวัลเปรียงนะคะจะต้องมีเจตมูลเพลิงแดงรวมถึงพวกพลอะไรพวกนี้นะคะ การจะหาพวกนี้ก็ลำบากนะคะก็ลองนะคะโทรเข้ามาปรึกษากันดูกับ call center นะคะเพื่อจะช่วยกันแนะนำกันได้นะคะในเรื่องของเส้นอาการชามือชาเท้าหรือปวดตามข้อขาหัวตามหัวเขา่าก็ลองปรึกษากันดูปรึกษากันได้ที่เบอร์0813946977หรือที่เบอร์088 5 4 5 3ี่ห้าสห้าหลองโทรเข้ามาสอบถามกันดูนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังอาการของท่านลองช่วยกันดูแลอีกสักนิดนึงลองโทรเข้ามาปรึกษาเพื่อจะช่วยอะไรกันได้บ้างนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆการซักเพลงหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเนื้อหาสาระดีๆในช่วงถัดไปค่ะ ในช่วงมูลใบสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบสัมภาษณ์คุณรำไพทองอ่อน ซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณน้อยบุบญสิล์นะคะคือป้าน้อยบุญศิลน์นี่เป็นคนขี้อายเลยไม่กล้าให้สัมภาษณ์ก็เลยสัมภาษณ์ลูกสาวแทนนะคะอาการของป้าน้อยบุญสิล์นี่คือเดินเอียงข้างนะคะแล้วก็ชาขาชาเท้ามากนะคะเดินไม่ไหวเลยนะคะแล้วก็ปวดหลังมากเดี๋ยวจะให้คุณรำไพทองอ่อนซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยบอกเล่า90แทนคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะคุณรำไพแนะนําชื่อนำสกุลบ้านเลขที่เลยค่ะค่ะ<า> เป็นทองอ่อนนะคะอยู่บ้านเลขที่แปดสิบห่สามค่ ะ, ะหมู่อะไรคะหมู่อะไรคะเอด็ดหมู่สิบเอ็ดค่ะตำบลระเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแนะ น, นำชื่อของคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่ชื่อแม่น้อยนามสกุลบุญสินชามือชาเท้าแล้วก็กระตูกทับเส้นนะคะ เห็นว่าเดินเอียงด้วยใช่ไหมคะเดินเอียงด้วยอะค่ะเดินไปไหนไม่ค่อยไหวค่ะเป็นมากี่ปีคะเป็นมาสามปีสี่ปีแล้วค่ะถ้าเห็นบอกว่าชาขาชาเท้ามากใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเอ่อใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบคือรับประทานอาหารเสริมเส้นผลิตภัณฑ์ล้างหินปูและทานน้ามันเนี่ยกี่วันคะถึงรเริ่มรู้ว่าดีชุดแรกนี่รู้เลยไหมคะชุดแรกก็หายปวดขาชาเริ่มกอกกินทั้งแรกก็เริ่มหายปวดขา แล้วก็มันเหมือนแบบเบาขึ้นนะคะ พอชุดที่2คือมาแกก็เบาหายแบบเดินได้แบบไม่ไปไหนต่อไหนได้ตอนแรกเดินไปไหนต่อไหนไม่ได้เลยอะ่ะค่ะนี้พอกินเข้าไปก็เดินได้พอกินมาชุดที่3ที่4แกก็เริ่มทำงานได้อะค่ะยู่เฉยไม่ได้ในตอนเนี้ยอยากทำโน่นทำนี่แล้วก็หายอะ่ะอาการที่เดินเอียงตอนนี้ยังเอียงอยู่มแอนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เอียงแล้วค่ะอ๋อเดินดีเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคคะ เดินตัวตรงแลว้วค่ะอ๋อเดินเดินเอียงข้างมากเลยใช่ไหมตอนแรกที่เห็นชัดเลยใช่ไหมแรกก็เอียงมากเลยะจะเดินมาที่บ้านเนี่ยยังเดินมาไม่ได้เลยะแบบจะมาเที่ยวหาลูกเนี่ยเดินแบบต้องมานั่งพักครั้งที่บ้านอยู่ก ใ, ใกล้ใกกันเนี่ยเดินมาแทบไม่ไหวเดินตะแขคงมากเลยค่ะ ก็แ บ, บเดินห้องแช่ได้ก็ขอขอบคุณคุณรำไพทองอ่อนมากเลยนะคะที่บอกเล่าเก้าสิบความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลใบให้กับท่านผู้ฟังหากท่านใดมีปัญหาเส้นเหมือนกับคุณป้าป้าน้อยบุญสินใช่ไหมป้าน้อยบุญสินค่ะหรือเป็นกระดูกทับเส้นอามาพึกอามะาพาชามือชาเท้าปวดหัวเข่าปวดหัวแมเกนปวดตามข้อตามกระดูกเนื่องจะเป็นเกาหรือรูมาตอยลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะได้ที่เบอร์ศูนแปดแปด ห้าสี่ห้าสาห้าหนึ่งห้าทวนเบอร์นะคะ088 5 4 5 3ด1 5ห้าสี่ห้าสาห้าหนึ่งห้าหรือ0 8, 9 9 0 8 9 9 <S <S 1 3 9 4 6 9หนึ่ง3 9 4 6 9 7 7ี่หเก้าเจ็ดดย์หนึ่งกี่หเก้าเจ็ดเจดหากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันเนี่ยให้เตรียมกระดาษปากกาแล้วจดในช่วงบทสัมภาษณ์ในรายถัดไปก็ได้ค่ะในช่วงนี้ดิฉันขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณรำไพทองอ่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูนไบร์จําชามือชาเทา้าปวดเมื่อตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูลไบร์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ํามันมูนไบร์สอบถามได้ที่เบอร์081 3 9แปดหนึ่สามเก้าา 0 8 1 3 9 4 6ดหนึ่งสเกสี่หเก้าเจ็ดเจ็ดขณะนี้ที่ฉันอยู่ในช่วงมูลไบสัญจรบอกเล่า90้าความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบสัมภาษณ์คุณอารีคำสดผ่านทางโทรศัพท์มือถือคุณอารีคำสดนี่ปวดหลังลงขาเป็นมาสามปีกว่าๆนะคะทำงานหนักไม่ได้เลยนะเดินแทบไม่ไหวนะฮะเพราะว่าปวดมากแล้วก็อ่าสมัยก่อนเนี่ย หายาดีมาทั่วรักษามาทั่วก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะแต่หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบในชุดแรกเนี่ยสั่งอย่างละ50าบแคปซูลนะคะอาการก็เริ่มดีขึ้นรู้ว่าดีนะคะพอใช้ต่อมาอีกชุดหนึ่งเป็นอย่างละร0อยเม็ดน ะ, ะแล้วก็ซื้อน้ำมันไปทาด้วยปัจจุบันนี้หายขาดแล้วนะคะไม่มีอาการอีกแล้วเดี๋ยวจะให้คุณอารีคําสดบอกเล่า90ความประทับใจหนะะ่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีแนะนําชื่อนามสกุลมาเลอกที่เลยค่ะสวัสดีค่ะนางอารีคําสด บ้นที่20 3ปม่8คิดเลื่อนค่ะค่ะเป็นเส้นมานานแค่ไหนแล้วมีอาการยังไงเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดูนะคะแขนปวดหลังแล้วก็ลามลงไปขาไปที่น่องค่ะค่ะแล้วเป็นมา3ปีกว่าๆไปบอกหมอที่ไหนดีก็ไปก็ไปไปเที่ยวรักษาหมดเงินมาเยอะค่ะเลยมาฟังวิทยุของมูลไบเลยสั่งเข้ามากินค่ะรู้สึกหายทํางานได้เป็นปกติแล้วค่ะค่ะ50แคปซูลใช่ไหมคะ ครั้งแรกที่เริ่มสั่งนะคะค่ะอากับสวนแรกค่ะแล้วเริ่มรู้เลยใช่ไหมคะว่าดีขึ้นเริ่มรู้เลยค่ะและเลยสั่งมาใหม่ค่ะสั่งใหม่นี่เป็นอย่างละ100เม็ดแล้วก็น้ํามันอีกอทาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใช้หมดชุดที่สองนี่หายขาดแล้วใช่ไหมคะหายขาดค่ะไปเข้าสวนป่วยไข่ทําเป็นปกติแล้วค่ะเหมือนคนธรรมดาเลยค่ ะ, คะก็ขอขอบคุณคุณอารีคําสดมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลไบส์ขอกล่าวคําว่าสวัสดี กับคุณอารีคําสดด้วยนะคะสวัสดีค่ ะ, ะหากท่านใดมีปัญหาเป็นเส้นเหมือนคุณอารีคําสดนะคะหรือว่าเป็นปวดหัวเขา่าชามือชาเท้าปวดหัวไมเกรนปวดตามข้อตามกระดูกเนื่องจากเป็นเกาหรือรูมาตอยหรือว่าเป็นอมัอมพาตอัมพาตเนี่ยลองมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มูลใบนะคะอ่าช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะคะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหวัวเขา่า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 สถานที่ทจังบันดาลวิมานโฮมีเพียงกระท่มมหาไทยโคงชาวไร่หมอโสสงสารโปรดรอพี่เกิดทุนหู กระทมโนยอยู่ริมลำห้วยธาราตัวพินวนาไรความนักโล่เรไรจำเรียงเสียงตงเพลงจันสง่งสโล น้องรักอยากโล ว, ว่าจืนเขินคนนไม่มีบันไดจะตายขึ้นไปสู่ตัววังตะวันเปรียนกระตายมา้จันทร์สุดทางรักมันได้แต่ระทม มีปีกบินเหมือนนอกที่จับกินทกลอยลมขว้าน้องมาชมให้สมโุราเป็นดอกฟ้าอยู่กลางสวงที่ได้ม่จะมอบดวงใจ ไว้เพียงเก้าตาเอ็นดพี่เธอตายใจขอจงได้เมตาแม้น้องปัาจงอยาเดียฉัน ฟ้าอยู่กลางทวงพี่ได้ไหมจยากอบอดวงใจไว้เพียงแก้วตาเอ็นโดพี่เธอตายใจโอจงได้ในสาแม่น้อง าาตงหยดีผมลงเล็กประกอบบุญบ้านเลขที่หนึ่งร้อยี่สิบหมู่สีตะบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เห็นลุงบอกว่าลุงอยู่ที่หน้าวิทยาลัยเกษตรใช่ไหมคะครับครับครับค่ะคุณลุงเล็กคะ อ, อ, อยากให้คุณลุงเล่าอาการก่อนที่ลุงจะมารู้จักกมูลไร้ายลุงเป็นอะไรมาหนักขนาดไหนคะทีแรกเป็นเป็นมะหวานก่อนค่ะเป็นมะหวานก็สองร้อยกว่าของพี่ติบสองร้อยเจ็ดติดด้วยค่ะแล้วตัวนี้มันก็มาเป็นมันชาตีนชาเมือชาเท้านะ อ่าชา น, า น, นะนรัะเขามันมันพูดไม่ชัดเลยเขาเป็นพูดไม่ชัดเขาเพื่อนก็เรียกส่งโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเดินไม่ได้เลยโอ้โห ล, ขละขาโรงพยาบาลอยู่หลายวันกันค่ะแล้วก็ไปขีดยาใช้หน้าติดอะไรค่ะแล้วตอนนั้นนะคะ่ะคุณลุงเห็นบอกว่าเดินเนี่ยหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยเดินขาแบบกระย่องกระแยง่ง ก็ยังจะเดินขาป่ายเลย oh. ขาฝ่ามันไม่มีแรงมันไม่ค่อยก้าวค่ะเดินขาป่ายอย่างเงี้ยมานานไหมคะคุณลุงก็เดินมาป่นปีนะ่ะที่แรกเดินไม่ได้เลยลก็กียามังาม่งกินกายามั่งอะไรก็พอยันได้ายาว่ายาไหนดีก็ไปไปก็พยันได้ คุณลุงเดินขาป่ายมาเป็นปียาที่ไหนดีก็กินหมดอาหารเสริมที่ไหนดีก็กินหมดเห็นบอกว่าซื้อทีเป็นหมื่นเลยเหรอคะคุณลุงครับเน้นมันมืนห้าหมื่นห้าแล้วก็มากินกินพอมันไม่ไม่ดีเราก็เลิกแล้วก็ไม่เจอมูลใบเนี่ยไ ด, ได้จริงคุณดีเจฟ้าเขาประกาศที่ลองดู ก็ลองดูค่ะกินกินของดีเจฟ้านี่ะยาก็หาปวดหลังปวดไรเลยนะค่ะพอยันได้แล้วได้เลยดีแล้วดีแรกพูดมันไม่ชัดสักหน่อยอืมตอนแรกลูกพูดไม่ชัดเลยไม่ชัดมาอูอูวาอูวาเลยอูอาออาเลยแล้วแล้วคือใช้ชีวิตอย่างนั้นมาเป็นปีอะเนาะโหลูกลำบากแย่เลย แล้วนี่ลุงใช้หมูไรอะครับนานไหมคะที่เริ่มรู้สึกว่าลุงดีขึ้นและเริ่มพูดชัดเริ่มเดินขาหายรากเนี่ยครับมันก็ตักประมาณตัเจ็ดสิบสิบกว่าวันเนี่ยนะอ๋อสิบกว่าวันรเริ่มดีขึ้นเลยเดีพอพูดได้เบาหายเบาปวดหลังมัง่งอะไรมัง่งผมว่าผมว่าโรคเส้นเนี่ยเขาดีนะ กินกินมูนไบไปแล้วเป็นเป็นหลังเส้นสะโพกนีนเบาปวดนะอืมแสดงว่ามูนไบเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องขายเส้นโดยตรงใช่ไหมลุงอ่าแล้วน้ำมันทาด้วยด้วยนะอืมแล้วลุงมีอะไรจะฝากบอกกับคนที่อาการเป็นแบบลุงแล้วเขาพยายามหาอะไรมาดูแลตัวเองแต่ไม่แต่ไม่เจอเนี่ยจะฝากบอกอะไรกับเขาดีคะก็ <c oughs> ก็ขอฝากว่าถ้าเป็นเอามาผลักกับเป็นเอามาพึกถึงก็ไม่เอามาพาดเนี่ยน ะ, ะมันก็น่าจะกินตัวนี้นะผมกินตัวอื่นมาก็หลายแล้วแล้วมากินตัวอาหารเสริมตัวนี้มันก็รู้สึกวดีขึ้นพอเดินไปได้หลายโลเหมือนกันแสดงว่าตัวอื่นไม่เบามาเบาค<ม><อ>นตัวนี้ครับมันมัน มันดีตรงไม่ไม่ปวดปวดเมื่ อ, อึตงค่งตรงคอน ะ, ะตรงคงตรงคอใ น, ะ ม, นมันโดมันโนมาอย่างอย่างก็กาปั้นเลยนะนอกเลยนะค่ะมันก็หายไปอ่ะค่ะแล้วคุณลุงมองว่ามูลไบราคาแพงไหมไม่แพงกนะ็พอกินได้ค่ะพกที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็พอซื้อได้ตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงเล็ก เป็นอย่างมากนะคะที่มาเล่าประสบการณ์จริงว่าเคยเนี่ยเกิดเป็นอมัมพฤกษ์เดินขาลากผู้มีชัดแล้วตอนหลังมาดีขึ้นเพราะมุนไบร์ต้องขอบคุณมากๆนะคะคสวัสดีค่ะคคท่านปวดอยู่ทำไม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 ี่ก็ไม่รู้ไม่เคยลบโลกให้เธอได้อายสักนิดสักนิดไม่เคยกระทำให้เธอช้ำใจไม่เคยใจร้ายกับน้องกับน่อยเจ้าทำแงงหอนแค่คนบึงตึง นาบน้ำไม่เคยใยดำกับแม่นเนกลัวถูกยุู่กย้อนให้เจ้าอ่อนใจเปลี่ยนไปไม่น้อยห้าสิบในร้อยที่เจ้าเปลี่ยนหันท่าตา ได้รู้ในใจนั้นว่าฉันรักเธอเฝ้าเพอเฝ้าฝันเฝ้าองเธอนั้นด้วยความต้องการเจ้าจงเข้าใจอย่าได้เกลียดชังที่อย่างอับาย เริ่มต้นกันใหม่ที่แล้วให้ทานที่แล้วให้ผลให้ผลผ่านไปอย่าให้เป็นมานตอนนี้ชจวานกับเธอผู้เดียว